อยกตัญหาในฐานะสมุทัยศาตร์ว่าเหตุใกล้ของสมุทัยศาสตร์คือปิยรูปสาตรูปถ้าแปล ง, ง่ายๆนะเพราะก็เพราะว่าสวยนั่นแหละจึงชอบที่ชอบก็เพราะสวยที่สวยจึงชอบก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะทีนี้มาดูโลภะโทสะโมหะบงังบอกโลภะมีลักษณะปรารถนาอารมณ์ อธินนาทานเจตนาเป็นประทัดฐานของโลภะออน่าคิดนะโลภะก็ลักษณะปรารถนาใช่ั้ยความต้องการอธินนาทานเนี่ยถนะือว่าเป็นเหตุใกล้ของอธินนาทานเจตนาเนะีเจตนาตัวนั้นเนะ่เป็นเหตุใกล้ของโลภะเป็นสิ่งที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งถ้าโลภะชอบอะไรหรือถ้าโลภะยังมีเชื่ออยู่ อาทินนาทานเจตนาก็ยังยังได้รับการละหรือยั ง, ยงถ้ายังมีโลภะอยู่นะถ้ายังมีโลภะกับสิ่งใดสมมติถ้าไปชอบอะไรบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะคิดว่าจะรักสิ่งนั้นได้ไหมในที่สุดธรรมอาทินนาทานเจตนาได้ไหมไอ้คำว่ารักในภาษาภาษาทางธรรมเนี่ยนะหมายถึงทั้งชอบทั้งโกงทั้งอะไรสารพัดสารพรนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าชอบในวัตถุใด วัตถุนั้นก็เรียกว่าอนาคตไม่แน่นะเป็นวัตถุของอธินนาทานอธินนาทานนี้ก็เป็น อ, อธินนาทานเจตนาก็เป็นเหตุใกล้ที่สำคัญของโลภะอีกครั้งหนึ่งแต่ของมาเห็นชัดว่าโลภะเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของอธินนาทานเนี่ยเห็นชัดเห็นชัดมากก็ถ้าเรายังชอบไปเรื่อยๆนะถ้าชอบสิ่งใดบ่อยๆบ่อยๆเข้านะในที่สุดเนี่ยเราจะต้องหาใช้วิธีการเพื่อจะเอา สิ่งนั้นมาจนได้นะนะอย่างเช่นไปชอบดอกไม้คนอื่นมากๆนะนะเอ๊เราอยากมีบ้างอ่ะนะก็เลยคิดควนขวายทำยังไงจึงจะเป็นของเราเนะี่ยด้วยเล่ด้วยกลด้วยอะไรสักอย่างก็ตามก็กลุ่มอธินาทานเจตนาทั้งหมดเนี่ยนะนะแต่ว่าอธินาทานเจตนาเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของโลภะอันนี้ก็ชาติเหมือนกันถ้าของใดที่คนไปรักมานะถามว่าของนั้นเขาจะหวงแนหน โอ้โขวนขวายกว่าจะลักได้นะสมมติเราไปลักพลอยได้มาเม็ดหนึ่งเก็บไว้อย่างดีเลยไหมหรือลักแล้วเอามาทิ้งๆิ้คว่างควงโชว์คนอื่นที่วอาไปหมดไม่ใช่นะเอามาเก็บรวบรัดอะไรไว้เนี่ยนะวันตัวเจตนาที่ไปลักขโมยนี่ก็พยายามจะปกปิดเหมือนกันนะนะก็เป็นเหตุใกล้ของโลภะอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะปรารถนาไม่ให้ผู้อื่นรู้ใช่ไหมบอกว่าโลภะมีลักษณะปรารถนาก็ปรารถนาไม่ให้คนอื่นรู้ใน ความชั่วที่ตัวเองทำมาเป็นต้นนั่นเองในอัตกถาท่านบอกว่าโทสสะปานาติปาโตปัฏฐานังก็บอกว่าปานาติบาตเป็นเหตุใกล้ของโทสะก็ชัดนะก็ใครฆ่าสัตว์เอาไว้เยอะๆนะที่ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังหายากแม้กระทั่งคนที่ไม่เดือดร้อนใจนะคนที่ฆ่ามากๆนะไม่ใช่คนใจดีนะ เป็นคนที่มีโทสะบ่อยกับเพื่อนคนที่ฆ่าบ่อยๆฆ่ามากๆนะนะถึงจะอยู่ในวงการนักฆ่าก็ก็เป็นพวกกลุ่มมีโทสะเพราะฉะนั้นปาณาติบาตเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของโทสะยิ่งใครไปทําฆ่าสัตว์เอาไว้เยอะๆพวกนี้ก็โทสะค่อนข้างบ่อยเพราะเดือดร้อนใจในภายหลังก็โทสะอีกนั่นแหละนั้นปาณาติบาตเป็นเหตุใกล้ของโทสะส่วนโมหัสสะ มิจฉาปฏิปทาประทับฐานังท่านบอกว่ามิจฉาปฏิปทาเป็นเหตุใกล้ของโมหะเ น, นี่ยนะข้อปฏิบัติที่ผิดนะเป็นเหตุใกล้ของโมหะการปฏิบัติผิดเป็นเหตุใกล้ของโมหะเนี่ยนะมิจฉาปฏิปทาก็การดำเนินในมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉา อาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเนี่ยนะทั้นการเดินตามข้อปฏิบัติที่ผิดเป็นเหตุใกล้แห่งโมหะอันนี้ก็เกี่ยวกับอกุศ ล, ลมูลนะ่นะว่ามูลของอกุศลเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้โลภะก็มีอัทินนาทานเจตนาเป็นเหตุใกล้โทสะมีปาณาติบาตเป็นเหตุใกล้โมหะมีมิจฉาปฏิบัติเป็นเหตุใกล้ เน่ก็มาดูตัวสภาวะของสัญญาวิปลาสนะวิปลาสเนี่ยนะมันมีแบ่งเป็นสานะสัญญาสัญญาวิปลาสใช่ไหอะไรจิตตะวิปลาสทิฏฐิวิปลาสถ้าที่ใดบอกว่าสัญญาวิปลาสที่นั่นเท่ากับกล่าวจิตตะวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิปลาสสาเป็นไปในเป็นไปโดยอาการคือโสภาอะไร สุภาสุขานิจอัตตะสุภาสัญญาสัญญาวิปลาสที่กำหนดว่างามในสภาวะที่ไม่ได้งามอะไรเนี่ยนะมีลักษณะการถือเอาสีสันฐานอิทีนิมิตปุริสนิมิตหมายราะว่าสุภาสัญญาเนี่ยนะสุภาสัญญาหรือ ส, ส, สุภาวิปลาสเนี่ยเป็นการถือเอาโดยนิมิตอนุพยัญชนะเป็นลักษณะเป็นลักษณะของเขาอะนะ เช่นสีสวยบางบางคนก็ชมเนี่ยนะในความสวยก็ชมที่สีบางชมก็ชมที่สันฐานสันฐานก็คือสวดทรงเป็นต้น น, นะสันฐานสวดทรงความสูงเป็นต้นหรือว่าใส่ใจโดยความเป็นหญิงโดยความเป็นชายเพราะฉะนั้นก็สำคัญว่างามก็งามตรงที่ใช้คำว่าอิทีนิมิตปุริสนิมิตนี่หมายคำว่าถ้านิมิตแห่งหญิง เป็นที่ตั้งแห่งสุภาสัญญาของบุรุษเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งสุภาสัญญาของบุรุษปุริสานิมิตเป็นที่ตั้งแห่งสุภาสัญญาเอ่อสุภาสัญญาของสตรีก็จะคิดอย่างนี้อันพระองค์จึงบอกว่าไม่มีรูปใดที่จะเป็นที่พอใจแห่งบุรุษเท่ากับรูปสตรีนะทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโภทภาของสตรีเนี่ยเป็นที่เอ่อเพลิดเพลินของบุรุษแล้วก็บุรุษเนี่ยดำรงติดใจในปัญจารมณ์ของสตรีแล้วก็ตั้งอยู่ ส่วนสตรีก็เพลิดเพลินติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสโพชาภะาของบุรุษเนี่ยนะมันก็พวกนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นลักษณะของสุภาสัญญาเนี่ยนะที่สำคัญว่างามเหตุไกล่ละเหตุไรของการคิดว่างามนะก็เพราะว่าการไม่สำรวมอินทรีย์เป็นประธฐานของสุภาสัญญานั้น คือความไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีหิริโอตปะเกิดนั่นแหละเรียกว่าไม่สำโรมินซีเนะนี่ยนะก็ใส่ใจท่องเที่ยวว่าก็สุภาสัญญาก็เกิดขึ้นนะเพราะว่าการเห็นในวัตถุที่ตั้งแห่งสุภาพวิปลาสเนี่ยถามว่าควรดูหรือไม่ควรดูควรดูหรือไม่ควรดูไม่ควรดูใช่ไหม แต่ว่าการไม่สํารวมอินทรีย์สังวรเนี่ยไปทําข้อที่ที่ที่เขาห้ามนะทําหมดเลยการไม่สํารวมอินทรีย์สังวรเนี่ยไม่ควรดูแต่ชอบดูไม่ควรฟังแต่ชอบฟังอัน น, นลักษณะอันนั้นแหละเป็นลักษณะของการไม่สํารวมอินทรีย์อั้นเมื่อไม่สํารวมอินทรีย์อย่างนี้นี่แหละก็โสภ้าสัญญาก็ก็เกิดขึ้นมันก็ในห้องเรามีประสบะการณ์กันเยอะนะแค่นี้ก็พอละ นี่มาดูสุขสัญญาบ้างสัญญาวิปลาสกำหนดว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยนะก็มีกามีลักษณะการติดอารมณ์ด้วยภาษะอันเป็นอารมณ์ของอาสวะเนี่ยนะสาสวะภษะัษาะนะอุปคัมณะคือมันมันติดข้องในภาษะที่เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเนี่ยมากเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอัสาธาคือตัวตันหาเนี่ยเป็นประทัดฐานของ สุขะสัญญานั้นนะก็เพราะว่าตันหาเนี่ยชอบใช่ไหมชอบในอย่างตันหามีอะไรเป็นเหตุใกล้ตันตันหาทัพตันหาที่เป็นอัศสสาธาณนะมีเวทนาเป็นเหตุใกล้เวทนานี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้ผัสสะทีนี้ถ้าจะตันจะสนองตันหาได้เนี่ยนะไปทํำยังไงก็สแสวงหาผัสสะเมื่อได้ผัสสะก็จะเกิด สุขสัญญานนะสุขสัญญานี่เกิดจากภาษานะถ้าพูดแบบง่ายๆว่าภาษะเป็นเหตุใกล้ของสุขสัญญาคําว่าภาษานี้หมายถึงประชุมของธรรมสามประการใช่ไหมวัตถุวิญญาณและอารมณ์มันเมื่อสามอย่างประชุมกันเรียกว่าภาษะมีความสุขในการเห็นเนี่ยองประกอบมีอะไรบ้างภาษะทางตาก่อนใช่ไหมก็มีตามีสีมีจกักรวิญญาณเนี่ยนะ สามอย่างประชุมการเรียกว่าผัสสะใครที่ต้องการความสุขสุขัสัญญาประเภททวารตาเนี่ยนะก็สแสวงหาให้มันครบสามประการใครต้องการความสุขทางหูสุขสัญญาทางหูก็ต้องหาเสียงมีหูไหมหาเสียงแล้วก็โสตะวิญญาณต้องการความสุขทางจมูกก็สแสวงหาอะไรสแสวงหากลิ่นแต่ถ้าง่ายๆในยุคนี้นะก็ที่เห็นๆเนนะ่ถ้าสแสวงหาความสุขทางตาก็หาสี ต้องการความสุขทางหูก็หาเสียงต้องการความสุขทางจมูกก็หากลิ่นต้องการความสุขทางลิ้นก็หารสต้องการความสุขทางกายก็สแสวงหาผลพระมันสแสวงหาความสุขทางใจลหละก็หาธรรมรมณมที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยนะเจนตัวตัณหาที่เราพูดเนี่ยมันมีหลายชื่อ ถ้าดูในมหานิเทศนะกามสุตตะนิเทศมีร้อยกว่าชื่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าเพราะชื่อของตันาเนี่ยมีเยอะจริงๆบอกชอบบางคนไม่เข้าใจบอกถ้าปรารถนาเออเข้าใจบางคนชอบไหมไม่ชอบปรารถนาไหมไม่เอาแต่ก็ไม่รังเกียจคือคือเพลินงนะบางคนก็บอกว่าหวัง ตันหาเขาไม่เข้าใจแต่บอกว่าคุณมีความหวังใช่ไหมใช่แต่คุณกำลังมีตันหาไม่ใช่ น, น, นะนะเพราะฉะนั้นก็มีคำที่มาใช้แทนที่เรียกว่าเววัจะนะไวยพจนของตันหาเนี่ยมากคือถ้าตันหาที่มันลักษณะสมุทัยตรงนี้นะเน้นไปที่ตันหาถ้าเป็นอากุศลมูลเน้นไปที่โลภะเนี่ย น, นะถ้าเน้นไปที่บาของวัตาก็เรียกว่า อะไรภวะตันหาภาวะตันหาถ้าโลภะที่เป็นบาทของของวัตานะก็โลภะอันเดียวกันนั่นแหละก็สามารถจะเรียกได้ในหลายหลายเชื่อคือถ้าตันหาตามนี้ก็แสดงในลักษณะสมุทัยสัตว์ถ้าโลภะตรงนี้ก็แสดงในฐานะอกุศลมูลเพราะว่าในอัตกถาท่านจะพูดถึงโทสะและโมหะตามมา ก็เป็นประเภทมโนกรรมที่เป็นอกุศลมูลเนี่ยนะ mm hmm. เจนพอชันท่าเจตสิกนี้เป็นอัญญสัมมาเจตสิกเนี่ยนะเป็นปกินกะที่เกิดร่วมกับปุศลก็ได้เกิดร่วมกับอกุศลก็ได้ถ้าฉันท่าที่เกิดในการปฏิบัติธรรมมากๆเนี่ยนะจะทําให้เกิดสัตทินรีมากขึ้นฉะนั้นฉันท่านั้นเป็นชันทาทิปติเนี่ยนะเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเป็นกามฉันท่าถ้ามากๆก็ตัญหาก็มีกําลังก็ใช่ ต้องดูว่าฉันท่าในอารมณ์อะไรเนี่ยนะพระอาจารย์คะเราคําว่าการมาฉันท่าที่เห็นทั่วๆไปนี้องค์ธรรมคือฉันท่าเจตสิกหรือโลภะเจตสิกคะการมาฉันท่าหมายถึงโลภะเจตสิกเช่นการมาฉันท่านิวรเ น, นี่ยนะทบทวนมาอีกครั้งหนึ่งว่าสุขสัญญานีมีภาษาเป็นเหตุใกล้แต่ทีนี้ภาษานั้นมีทั้งภาษาที่เป็นโลกิยะกับภาษาที่เป็น โลกุตระเพราะฉะนั้นลกตรงนี้ยกโลกียภาภัสสะขึ้นมาว่าโลกียภาภัสสะนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของสุขสัญญาเพราะว่าเราถือเอ่อบางคนที่เรียกว่าตัวเองมีความสุขก็เพราะว่าถือได้ว่าได้ภัสสะกับสิ่งนั้นๆ น, นมิโยมคนหนึ่งตอนนี้เขาเขามีความสุขกับการปลูกต้นไม้มากเขาให้เ้าได้กลับบ้านครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเพื่อจะได้ไปรดน้าต้นไม้กับปลูกต้นไม้ เขบอกว่านี่ยอมกลับไปถึงบ้านทําอะไรต่อบอกผมเนี่ยไปปลูกต้นไม้รดน้ําต้นไม้ถึงเที่ยงคืนผมจึงจะนอนเตื่นมาตีสี่มาขับรถต่อละก็บอกนี่นะตอนก่อนจะเที่ยงนะผมต้องแวบกลับบ้านก่อนแต่อยู่ในสวนดูแลต้นไม้แล้วมาขับรถต่อแล้วก็กลับไปดูต้นไม้อีกนะบอกโหท่านแม่บ้านเขาก็แซวเขาบอกว่านี่เป็นเอามากแล้วนะมันไม่คุยกับลูกกับล้านอะไรแล้วนะแต่ดูแต่ต้นไม้ก็ว่างั้นเขาก็หัวเราะนะเขามีความสุขกับไอ้ภาษะกับต้นไม้มาก นะเขาเรียกว่าผัสสะกับต้นไม้ใบหญ้าของเขาเขาเอาประกอบดินอะไรไปปลูกแล้วมันบางคนนะแค่ดอกไม้ออกมาดอกเดียวเนี่ยเขามีความสุขยิ่งกว่าถูกหวยอีกเนี่ยนะเขามีความสุขขนาดนั้นเลยนะมียอดคนหนึ่งเหมือนกันเขาชอบเอาดอกไม้ดอกกล้วยไม้เนี่ยไปไปปลูกที่วัดนะนะถ้าวัดเป็นวัดป่าอยู่แห่งหนึ่งเขาก็เอาไอ้กล้วยไม้นี่ไปมัดไปมั ด, ไป ม, ดไปมัดไว้กับต้นไม้นะเขาก็ขับรถมาไกลามากเลยเพื่อจะมาเอาไอ้แบบฉีดสงกรานเห็นไหม เพื่อมาพ่นพ่นพ่นแล้วเขาก็พอมีใครไปถามเรื่องนั้นนะคุยอยู่สองชั่วโมงไม่มีจบเนี่ยนะว่าไปย่อเนี่ยนะดอกมันหอมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ยมันมีความสุขไอ้กลิน่นโชยๆมานิดเดียวอนะโอ้ยมันมีความสุขของเขาเหลือเกินเนี่ยนะไอ้ของเราฟังไม่ออกเลยมันเป็นยังไงบอกมีความสุขมากเลยคขาบ่างั้นบอกโอ้ยของเราไปอ่านหนังสือธรรมะนะสุขกว่าทางเยอะแยะนะไอ้กลิน่นโชยมาหน่อยเดียวมันสุขตรงไหนแล้วก็มาคิดในใจนะแต่ว่าคิดไม่เหมือนการบอกโลกอะ่ะ นาณาจิตตังมั น, นภาษะที่เรียกว่าของเราบอกอภาษาในหนังสือนะมีความสุ ข, ขเขาบอกภาษากระกล้วยไม้มีความสุขก็ภาษะของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะพื้นฐานควาสุขขสัญญาของแต่ละคนนี่จะอยู่ในที่ที่แตกต่างกันแต่ว่าโดยรวมๆเลยนะความสุขทั้งหลายก็อาศัยภาษะเป็นเหตุใกล้เพราะฉะนั้นก็สแสวงหาภาษะกัน ภาษาก็ทวารหนะสแสวงหาภาษาในทวาร6ใครคิดว่าภาษะอย่างคนที่เจริญฌานทั้งหลายเนี่ยถือเอาภาษาทางมโนทวารเป็นความสุขเนี่ยนะผู้บริโภคกามทั้งหลายก็ถือว่าภาษาทางปัญจทวาร น, นี้เป็นความสุขเนี่ยนะท่า น, นก็เราดูนะว่าเรานี้เป็นความสุขกลุ่มไหนเพราะคําว่าสุขสัญญาตรงนี้อมความไปถึงอรูปฌานเลยนะไม่ใช่แบบสุขสัญญาแบบธรรมดาธรรมดานะ หมายถึงความสุขแม้กระทั่งระดับรูปปัจจานอรูปปัจจานก็เรียกว่าสุ ข, ขสัญญาทั้งหมดผู้ที่ละวิปลาสโดยความเป็นสุ ข, ขสัญญาได้เด็ดขาดนั้นคือพระอรหันต์พระนาคามียังละไม่ได้พระนาคามียังมีความสุขในรูปปัจจานและอรูปปัจจานพระโสดาบันบุคคลก็ยังมีความสุขในกรรมคุณอยู่เนะเพราะนั้นผู้ที่จะละสุ ข, ขสัญญานี้ได้ต้องระดับพระอรหรันต์ คืออัตสาธะหรือตัญหานั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของสุขสัญญาเนะี่ยนี่มาขึ้นนิจจสัญญาบ้างว่านิจจสัญญามีลักษณะการไม่เห็นธรรมทั้งหลายที่มีสังคตะลักษณะปกตินี่ธรรมทั้งหลายที่เป็นสังคาะลักษณะมันเป็นยังไงสังคาะลักษณะเป็นยังไงอย่างอย่างเอานะเอาคนหนึ่งคนมาคิดเนี่ยมันต้องคิดไปหาอะไรชั้นแรกก่อนที่จะเรียกว่าคนเนี่ย มีการเกิดการก่อตัวกันขึ้นมาใช่ไหมเจริญเติบโตมาโดยลําดับท้ายที่สุดตายไหมตายสังขาลักษณะมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุดทุกเรื่องในโลกนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะมีความก่อตัวกันขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีการแตกทำลายเป็นที่สุดอย่างการก่อสร้างตึกใช่ไหมก่อสร้างเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นใช่ในที่สุดถ้าตึกอายุร้อยปีเขาทำอะไร เขาก็ถล่มทิ้งเป็นที่สุดเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> สิ่งใดที่มีความก่อร่างสร้างตัวกันเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีการแตกทำลายเป็นที่สุดที่เรียกว่าความเจริญมีความเสื่อมเป็นที่สุดนี่คือสังขารลักษณะเป็นอย่างนี้ส่วนนิจจา ว, วิปลาสนะมันไม่ถืออย่างนี้หรอกเหมือนเดิมหมดเลยที่ไหนที่ไหนก็เหมือนเดิมนะทุกอย่างปกติแบนั้นปกติไม่รู้แปลว่าอะไรนะ ก็ปกติมันเกิดขึ้นหรือมันเสื่อมไปก็เหมือนเดิแล้วก็จะเล่นคำแล้แต่ว่าถ้าว่าโดยรวมๆก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละเป็นลักษณะของนิจจะสัญญาเพราะไม่ถือเอาหรือไม่เห็นเอาลักษณะที่เกิดกับลักษณะที่เสื่อมรูปประคันจะเกิดได้ยังไงเพราะอะไรเกิดรูปจังเกิด mm. ก็บอกว่าเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิ ด, ดนะโดยเฉพาะรูปประคันทั่วๆไปนี่โต๊ะเพราะอาหารใช่ไหม เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเพราะอะไรเกิดเพราะภาษาเกิดวิญญาณขันเกิดเพราะนามรูปเกิดถ้าปัจจัยเหล่านั้นเสียหายหรือหมดปัจจัยนั้นๆันน้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เสื่อมไปลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายเป็นเช่นนี้แต่ว่าพวกนิจจสัญญาไม่คิดอย่างนี้ใช่ไหมไม่ไม่คิดอย่างนี้ วิญญาณนี้เป็นประฐานของนิจจสัญญานั้นตัววิญญาณนีวิญญาณนี้มันเหมือนเที่ยงจริงๆเลยนะวิญญาณนี่มันเหมือนเที่ยงทั้งทั้งที่เป็นสิ่งที่มีอายุสั้นที่สุดแต่เหมือนเที่ยงอะ่ะไอของสั้นๆที่มันเกิดสืบเนื่องสมมติเหมือนแสงสว่างของไฟใช่ไหมถามว่าไฟนี่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ในตัวของมันไหมก็เกิดดับอยู่ในตัวของมันแต่ว่าเหมือนกับว่าสว่างไม่มีที่ที่สุดสว่างอยู่ตลอดเวลาเลย จิตก็เหมือนกันถ้าไม่เอาในยะต่างๆมาจับนะเหมือนกับว่าจิตมันตัวเดิมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่แก่ไม่ชราไม่ป่วยนะมันมีเรี่ยวมีแรงของมันเนี่ยนะมันโวยโบอยบินไปได้ทุกหนทุกแข่งหมดนะไม่มีก็ว่าไม่ต้องใช้พา ส, สปอร์ตวีซ่าไม่ต้องใช้รถใช้เรือมันคิดไปเรื่อยเปลยไปหมดอนะ่ะเพราะว่าวิตกเนี่ยเป็นทางเดินของความคิด ไอสิ่งที่เราคิดว่ามันเที่ยงนะยิ่งระลึกชาติได้ด้วยเหมือนกับจิตนี้มันเที่ยงแต่ยิ่งระลึกชาติได้มากๆขึ้นมากๆขึ้นเหมือนจิตเที่ยงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงมาแยกให้เห็นความหยาบหยาบของจิตก่อนเช่นจิตทางจากักรคูทวารก็อย่างหนึ่งนะจิตทางโสตะทวารก็อย่างหนึ่งทางคารนณะทวารทางชิวหาทวารทางกายทวารทางมโนทวารก็คนละจิตคนละจิตกันนะไม่เหมือนกัน ทีนี้จิตในทวาร6เหล่านี้นะก็มาแบ่งอีกว่าจิตมีราคาก็อย่างหนึ่งใช่ไหมจิตปราศจากราคาก็อย่างหนึ่งจิตมีโทสะก็อย่างหนึ่งจิตปราศจากโทสะก็อย่างหนึ่งจิตมีโมหะก็อย่างหนึ่งจิตปราศจากโมหะก็อย่างหนึ่งจิตเป็นฌานก็อย่างหนึ่งจิตไม่เป็นฌานก็อย่างหนึ่งจิตอ่เป็นจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าอย่างหนึ่งจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็อีกอย่างหนึ่ง จิตเป็นสมาธิก็อย่างหนึ่งไม่เป็นสมาธิก็อย่างหนึ่งจิตบรรลุก็อย่างหนึ่งจิตไม่บรรลุก็อีกอย่างหนึ่งเขาไม่แยกแยะอย่างนี้เออคนละจิตคนละจิตจริงๆแต่ถ้าศึกษาไม่ดีนะเหมือนกับว่าจิตดวงเดียวนั่นแหละพามาจิตดวงเดียวกันนั่นแหละพากลับจริงๆแล้วเหมือนไหมไม่ใช่แต่นี้เนื่องจากว่านิจจะสัญญาหรือตัวจิตนี่แหละมันทําเหมือนกับว่าทุกอย่างมันคงสภาพเดิมอ่ะนะ ก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกเกิดตายในภพ น, น, นั้นนั้นั่นแหละแต่วิญญาณนี่มันเที่ยงมันท่องเที่ยวไปยิ่งใครอ่านชาดกมากๆไม่มีโยนิสโสมนัสิการนี่เป็นอย่างนั้นเลยพระสาติในรูปหนึ่งฟังชาดกมากๆตอนไทยใช่ไหมพระเวสสันดร น, นั้นก็คือเราตถาคตนั่นเองอะนะพระเจ้ามหาชนกก็คือเราตถาคตพระเจ้าเนมิราชก็คือเราตถาคตเอ ออรูปมันก็แตกทําลายในภพนั้นนั้นะแต่แล้วอะไรเราต้องจิตสินะว็นึ้นึกว่าจิตอันเดียวกันมาตลอดก็เลยไม่ใช่ผู้ที่ไม่เจริญจิตตานุปัสสนานี่จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแห่งจิตที่ใครบอกว่ารูปนะเที่ยงนะยังพอผู้ถูกนะเพราะรูปของคนหนึ่งคนบางค น, ม, น, คนมีรูปอายุตั้งร้อยกว่าปีใช่ไหมยังพูดถูกนะว่ารูปเที่ยงแต่ใครที่จะบอกว่าจิตเที่ยงเนี่ยโอ้ผิดเอามากเลย พอชั่วรัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยนะคิดได้กี่เรื่องอ่ะโอ้หลายเรื่องใช่ไหมแล้วก็อย่างเห็นท่าลายนะดูแต่ละลายก็ถือว่าคนละจิตกันแล้วเนะี่ยท่านใช้ความคิดมากขนาดไหนแต่ว่าไอความรวดเร็วเหมือนอย่างว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนก็สิ่งที่เกิดดับรวดเร็วที่สุดสิ่งนั้นดูเหมือนยั่งยืนที่สุดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยก็บอกแม้แต่พรมที่มีอายุแปดหมื่นสี่พันกับก็ไม่ได้ดํารงอยู่ด้วยจิตสองดวง ก็แสดงว่าไม่ได้มีความยั่งยืนแม้แต่ทุกคนทุกแห่งแต่เนื่องจากไอ้นิจจะสัญญาสัญญาวิปลาสเข้าใจว่าเที่ยงที่เป็นอย่างนี้ก็ง่ายๆก็เพราะไม่ทําปริญญาในจิตหรือไม่เคยตามเห็นจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละอันท่าเห็นตามเห็นจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเราจึงไม่ค่อยเชื่อจิตนะพระองค์จึงเปรียบเทียบจิตเหมือนอะไร มายากรเนี่ยนะเป็นนักมายากรที่เรียกว่าเดี๋ยวมันทําให้เหมือนจริงๆมันหลอกจริงนะเออคนเดียวกันนั่นแหละมาจิตดวงเดียวกันนั่นแหละพาให้นั่งจิตดวงเดียวกันนั่นแหละพาให้ไปอีกแล้วนะแต่ถ้าเรารู้ว่าความคิดมันเปลี่ยนแปลงตามอะไรนามกับรูปพนามบางอย่างเปลี่ยนเจตสิกบางอย่างเปลี่ยนจิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนวัตถุบางอย่างเปลี่ยนจิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนถ้าอารมณ์เปลี่ยน จิตก็เปลี่ยนอ้าวแล้วเราจะไปเชื่อจิตอะไรมากมายนักเนาะไม่รู้มันจะหลอกพาไปไหนอีกเนาะก็คือถ้าไปอ่านพระพระตาลบุตรเทระนะจะเห็นเลยโอ้ยจิตเอ้ยเนี่ยนะเมื่อก่อนนะเจ้าก็บอกข้าออบอกเราว่าจะไปบวชนะบวชแล้วจะไปอยู่ตรงนั้นจะไปหลีกเล้นเจริญอย่างนั้นอย่างนั้นเอาแล้วตอนนี้ทําไมไม่เป็นอย่างนั้นแล้วล่ะเนี่ยนะตอนนั้นแหมคุยเหมือนคุยกันรู้เรื่องว่างั้นตอนนี้ไอชักไม่ใช่แล้วนี่ยนมะันก็ดูนะว่าความคิดแล้ววันๆหนึ่งเราคิดอะไรไว้บ้างนะ ถ้าลองทบทวนนะถ้าเราลองคิดดูนะยิ่งคนที่ทำบันทึกความคิดของตัวเองนะแล้วจดไว้ตามเป็นจริงอ่ะนะแล้วกลับมาอ่านดูนะันจะเป็นยังไงนี่มาดูต่อไปว่าอัตตสัญญาคือความสำคัญว่าเป็นอัตตามีลักษณะการไม่เห็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาตามสภาพที่เป็นจริงอ่ะนะยะถาณิจังตังทุกขงังเหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั่นแหละเป็นอนัตตาทีนี้ไม่ยอมเห็นโดยความไม่เที่ยงไม่ยอมเห็นโดยความเป็นทุกข์มันก็เลยสําคัญว่าเป็นอัตตาเข้าเพราะฉะนั้นอัตตาสัญญาเรียกเรกว่ารัที่อัตตาเนี่ยเกิดจากไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นโดยความเป็นทุกข์ก็เลยคิดว่าเป็นอัตตาอันนัเพราะฉะนั้นลักษณะของอัตตสัญญาหรือความสําคัญว่าเป็นตัวตนเนี่ยนะเกิดจากคิดว่าเที่ยงกต่คิดว่า สุขหรือเพราะไม่เห็นว่าไม่เที่ยงไม่เห็นว่าเป็นทุกข์นั่นแหละจึงเกิดอัตตะสัญญาหรือตัวตนเพราะฉะนั้นตัวตนตรงนี้กับที่เราคุยกันนี่เหมือนกันไหมเห็นต้นไม้เป็นต้นไ ม, นนไม้นี่เรียกว่าเป็นตัวตนเนี่ยใช่ไหมคนละอย่างกันนะคนละประเด็นกันนะเพราะฉะนั้นตัวตนนี่มันก็อย่างว่าถ้าฤาษีเขาใช้ว่าเป็นตนถ้าม้าเขาใช้คําว่าเป็นตัวช้างก็เรียกว่าเป็น ทำไมเรียกเป็นเชือกก็ไม่รู้นะช้างเรียกว่าเป็นเชือกเรือเรียกว่าเป็นลำรถเรียกว่าเป็นถ้ามนุษย์เราจะให้เรียกเป็นอะไรดเป็นคนใช่ไหมแล้วทำไมเห็นดอกไม้เป็นดอกไม้เรียกว่าเป็นตัวล่ะเป็นตัวเป็นตนเข้าเอาเห็นดอกไม้เป็นดอกไม้เพราะนั้นว่าโดยรวมๆในที่นี้เนี่ยนะคำว่าอัตตสัญญาความสําคัญว่าเป็นอัตตาที่นิยมแปลในพระไตรปิฎกว่าตัวตนนั้นน่ะ มีลักษณะไม่ถือหรือไม่เห็นโดยอนิจจังกับทุกขังเพราะไม่ใส่ใจว่าอนิจจังกับทุกขังนั่นแหละอัตตสัญญาจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะมันแสดงว่าท่านบอกวิธีละโดยเบ็ดเสร็จอยู่เมืนก น, นะถ้าใส่ใจโดยอนิจจังกับทุกขังมากๆก็ละอัตตสัญญาทุกอย่างในโลกนี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงถ้ากุศลไม่เที่ยงละ่ะเป็นยังไง กุศลท estens, ี่ไม่เท so ี่ยงแล้วนั้นมันเกิดครั้งเดียวแล้วมันเลิกเกิดเลยอันนี้เสื่อมมากนะอกุศลไม่เที่ยงอกุศลเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่ถ้ามันเกิดบ่อยๆล่ะไม่ดีนะเนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันแสดงว่าไม่เที่ยงบางอย่างเป็นไปเพื่อความเสื่อมอกุศลที่ไม่เที่ยงอ่ะแต่เกิดบ่อยๆเนี่ยนะอันนั้นแหละเป็นไปเพื่อความเสื่อมกุศลก็ไม่เที่ยงแต่ถ้ากุศลเกิดบ่อยๆเป็นไปเพื่อความเจริญ พลักษณะของอัตตาสัญญาคือการไม่เห็นอ น, นิจจังและทุกขังนามกายนี่เป็นประทัดฐานของอัตตาสัญญานั้นเพราะศาตร์ทั้งหลายทั่วทไปยึดถือนามว่าเป็นอัตตาอั น, นเช่นยึดถือนิวรณ์ะบางคนก็ยึดถือว่าตัวตัณหาเนี่ยเป็นเขาล่ะบางคนก็ยึดถือว่าเจตนาเป็นเป็นอัตตก็มีเรียกว่ายึดสังขารว่าเป็นอัตตานะบางพวกก็ยึดสังขารว่าเป็น อัตตาบางพวกก็ยึดถือเวทนาว่าเป็นอัตตาทว่าโดยสรุปพวกนี้ก็นามกายนั่นแหละเป็นเป็นเหตุใกล้ของอัตตะสัญญาโดยเฉพาะสัญญาขันเวทนาขันเนี่ยพวกนี้เป็นเหตุใกล้อย่างดีของนิจจะสัญญาก็เหมือนกับเหมือนเดิมไงก็เลยสัญญากันว่าให้มันแน่นอนเลยขอสัญญาว่าเอาสัญญาขันนะัเป็นเครื่องรับรองเลยว่ามันแน่นอน สัญญาแน่นอนไหมไม่แน่ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวก็รูปสัญญาแล้วเดี๋ยวก็สัท์ท่าสัญญาเดี๋ยวก็ขันท่าสัญญาเดี๋ยวก็รักษาสัญญาเดี๋ยวก็โพธภาสัญญาเดี๋ยวก็ทำมาสัญญาเดี๋ยวก็สัญญาเรื่องโน้นสัญญาเรื่องนี้้สัญญามันเกิดวันหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องแล้วก็บอกขอสัญญาว่าก็สัญญาอนนี้จังอ่ะถูกต้องเลยโดแล้วทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะสรุปว่าเป็นเหตุใกล้ของวัตนะ ทั้งหมดที่กล่าวไปในเหตุใกล้ของวัตตะโดยหนึ่งประทับฐานของอวิชชาคือวิปปลาสประทับฐานของตันหาคือปิยรูปสาตรูปประทับฐานของโลภะคืออัทินนาทานเจตนาประทับฐานของโทสะคือปานาติบาตประทับฐานของโมหะคือมิจฉาปฏิปทาประทับฐานของสุภาษณ์ ญ, ญาคือไม่สำรวมมินรีย ปัจจุนของสุขสัญญาคืออัตส า, าะทะปัจฐานของนิจจสัญญาคือวิญญาณปัจจุบันของอัตตสัญญาคือนามกายนะนามกายทั้งหมดที่กล่าวไปนี้เป็นวัตตะถ้าจําง่ายๆก็แบ่งว่าอาวิชากับภวะตันหาก่อนในชั้นแรกนะอวิชากับภวะตันหาชุดหนึ่งอกุศลมูลอีกชุดหนึ่งวิปปะลาสีอีกชุดหนึ่ ง, งถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆได้กี่กลุ่ม สมกลุ่มใหญ่หนึ่งคู่ที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งนะอวิชากับตันหาอันนี้คู่กันทลพะโลพะก็รวมโทสะและโมหะเข้าด้วยอันนี้กลุ่มที่สองโลพะโทสะโมหะกลุ่มที่สามสุภาสัญญาสุขสัญญานิจจะสัญญาอัตตะสัญญาที่เราคุ้นเคยว่าวิปาราตพวกนี้ทั้งหมดชื่อว่าเป็นปัจฐานของวัตตะประเภทสมุทัยสัต นะวัตประทัดฐานหรือเหตุเพื่อเป็นต้นเขาต้นมูลของสมุทัยศาสตร์นั่นเองนี่มาดูประทัดฐานของวิวัตตะบงังสิ่งที่ตรงกันข้ามนะข้อนี้จะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาทั้งหมดเช่นว่าวิชาที่ตรงกันข้ามกับอวิชาตรง น, นี้จะวิวัตตะว่ า, ว, าวิชามีลักษณะการแทงตลอดธรรมะทั้งปวง ทาที่ควรรู้ทั้งปวงเป็นประทัดฐานของวิชานั้นนะท่านบอกว่าทาที่ควรรู้ทั้งปวงเนี่ย อ, อะไรอัตกถาท่านบอกว่าอริยสัจเพราะไม่มีอะไรพ้นอริยสัจเลยไม่มีอะไรอยู่ในหลักพ้นหลักอริยสัจทาที่ควรรู้นะยยธรรมเนี่ ย, ย nee, ไม่มีอะไรพ้นอริยสัจเพราะว่าเยี้ยงอยู่ในขอบเขตของอริยสัจอยู่ดีเพราะฉะนั้น วิชาเนี่ยมีการแทงตลอดธรรมะทั้งปวงมันอริยศัสตร์เป็นเหตุใกล้ของวิชานั่นนะเอะอริยศัสตร์นี่ดีนะแล้วก็วันๆหนึ่งถ้าเราคิดบ่อยๆก็วิชาก็จะเกิดบ่อยนะแต่ก็อย่าลืมว่าทุกขศัตร์นี้ใส่ใจว่ายังไงดีอันนะัย่อๆก็อานิจังอทุกขังอนัตตาอสุภะหรืออีกในหนึ่งก็ทุกขศตร์นะปีละนะสันตาปะนะสังคตะ วิปริณามะเนี่ยนะพวกนี้ก็เอามาคีดบ่อยๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเหตุใกล้ของวิชาเลยนะถ้าใส่ใจแบบนี้มีสติแบบนี้บ่อยๆปัญญาก็จะเกิดขึ้น